คามหลงมันหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องอวาจริงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นตัวจริงของจริงตัวจริงของจริงก็คือใจของแต่ละคนอันนี้เป็นตัวจริงของจริงเป็นตัวที่ไม่ตาย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 เป็นร่างกายของสามีของภรร ย, ยาก็เป็นของเราร่างกายของลูกของบิดามารดาก็เป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากให้เป็นของเราไปตลอดเวลาอ่รนะ่างกายมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ต้องแก่แล้วฉันก็ต้องเจ็บแล้วฉันก็ต้องตายแล้ว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 ให้มันอยู่เนี้ยมันแบบเลี้ยงสุนัขพระพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของพระพุทธเจ้าแบบสุนัขใช่ไหมปล่อยไปอยู่ในป่านอยู่กับพวกสิงสาราสัตว์ร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี้อยู่แบบอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานแต่ใจอยู่แบบพระแต่ร่างกายนี้ท่านให้มันอยู่แบบสัตว์เดรัจฉาน ให้ปัญหาที่อยู่ไปตามมีตามเกิดทำไมพุทธการไม่มีวัดไม่มีกุฏิฮพระพุทธเจ้าอยู่ตามคนไม้เอากิ่งมง้งกิ่งไม้เอาใบมงุงใบไม้มามงุงมาบางังทําที่หลบแดดหลบฝนอยู่แบบนั้นขับถ่ายก็ถ่ายในป่านั่นแหละสมัยนี้อินเดียก็ยังถ่ายกันข้าง ใ, ในทุ่งกัน ตอนเช้าเดินขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็นเดินเข้าไปในทุ่งนะเขาไม่มีห้องน้ําห้องท่าเลี้ยงอยู่เลี้ยงร่างกายแบบนั้นมันสบายไม่วุ่นวายถ้าเลี้ยงแบบเศรษฐีเลี้ยงแบบเอพระราชามหากษัตริย์นี่ยมันยุ่งยากต้องสร้างปราสาราชวังต้องสร้างเข้ารหาส ตอนน้องมีอะไรร้อยแปดพันประการแล้วพอมันไม่มีขึ้นมาก็วุ่นวายกันแต่อยู่แบบเรืราชานี้สบายโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีห้องน้ำห้องท่าไม่มีปะปาไฟฟ้าไม่มีใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ นอนเวลามืดก็ไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้แสงสว่างนั่งหลับตาไปหรือนอนพักผ่อนหลับนอนอยู่แบบนั้นกับสบายใจกว่าอยู่แบบในวังอยู่แบบในปราสาราชวังอยู่ในคัหัสอันใหญ่โตอยู่แล้วก็ต้องอมี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 เหมือนไปเลี้ยงคนรับใช้นั่งกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เออใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่บ่าวกับอยู่สบายกว่านายเออนายนี่วุ่นวายต้องมาคอยรับใช้บ่าวต้องมาสร้างก้อนรหัหลังละร้อยล้านขึ้นมาให้ก้อนรหัสอยู่หาลรด ร, ราคาสิบล้านยี่สิบล้านมาให้มันนั่ง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 รูกขุมูลคือโคนไม้อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าหรอไม่เช่ะนั้นก็อยู่ตามถ้าตามเนื้องผาตามเรือนร้างไม่ต้องไปสร้างให้เสียเงินเสียทองถ้ามีเรือนร้างที่ไหนก็ทิ้งก็ไปอยู่ไม่มีคนอยู่เพราะไม่มีไฟฟ้าไม่มีป่าป่าไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามี สร้างเปล่าหักพังพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้เนี่ยคือวิธีการอยู่ของคนฉลาดพอรู้ว่าร่างกายมันเป็นคนใช้ไปเราปลูกบ้านเ mm hmm. วนลาเราปลูกบ้านแล้วเราปลูกห้องให้คนใช้อยู่เราปลูกแบบห้องของเราอยู่หรือเปล่าไปดูบ้านของเศรษฐีเถอะห้องของตัวเองกับห้องของคนของคนใช้เป็นยังไงห้องของคนขับรถห้องของคน ทำกับข้าวกับปลาของแม่ครัวของคนทำความสะอาดนี่ห้องของเขาแบบพอให้อยู่ได้เท่านั้นแหละไม่มีอะไรแต่ห้องของตนเองนี่โอ้โหยิ่งกว่าสวรรค์เลยมีอะไรเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกร้อยแปดพันประการน้ำร้อนน้ำเย็นเครื่องทำ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 ไจะต้องกังวลกับจับสมบัติข้าวของเงินทองเติดเครื่องป้องกันภัยนิรภัยหลายหลายชนิดป้องกันไฟป้องกันร้อยแปดใจนี่นอนไม่หลับใจไม่ใครนี่นอนกายหน้าผากคนใช้นอนสบายอยู่สบายแต่เจ้านายนี่ ต้องมาคอยเฝ้าคอยเป็นรอปภปกป้องรักษาคนใช้อยู่ตลอดเวลาคนรับใช้ตลอดเวลานี่คือความหนงทําให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราไปคิดว่าคนรับใช้นี้เป็นเป็นเราเราก็เลยโอ้โหเลี่ยงดูมันอย่างสดสดเลยอาหารก็สุดสดเสื้อผ้าก็สุดสด เวลาไม่สบายก็รักษากันแบบสุดๆนียต้องลงไปาบางหมอชั้นเลิศชั้นที่หนึ่งถ้าที่นีในประเทศนี้ไม่ดีพอก็ไปเมืองนอกกันบินไปเมืองนอกพาคนคนใช้ไปรักษารักษาไงมันก็ถึงเวลามันก็ตายอยู่ดีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนมันก็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 ถ้าปฏิบัตินี่ท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลนะเข้าไปทําไมเข้าไปให้โง่อไปท่านรักษาตัวท่านท่านไม่รักษาร่างกายร่างกายปล่อยให้มันตายไปมันเป็นคนรับใช้ไปไปไปรักษามันทําไมก็รักษามันตามสภาพมีข้าวกินข้าวได้ก็ป่อยให้มันกินไปดื่มน้ําได้ก็ดื่มไปกินยาได้ก็กิกนไป กินไม่ได้ก็พอไม่ต้องไปผ่าไปตัดไปทําอะไรให้มันวุ่นวายเพราะทำไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีเมือ่อเมื่อมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราจะไปวุ่นวายกับมันไหมเราไปวุ่นวายกับคนรับใช้ของเราเหมือนกับเราวุ่นวายกับร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่สบายเราก็เข้าโรงพยาบาลเอกชน คนใช้ไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลสามสิบบ า, บาทรักษาทุกโรคแล้วเวลารักษาคนคนใช้น่สายใจไม่สบายคนใช้มันจะเป็นจะตายเราก็ไม่ไปทุกข์อะไรกับมันพอเรารู้ว่ามันเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาเป็นคนรับใช้เราแต่คนที่รับใช้เราจริงๆเรากลับไม่รู้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 มีราคาแพงๆเข้าไปทีคืนละอย่างน้อยก็สองสามหมื่นแล้วเป็นไข้หวัดไปนอนนอโรงพยาบาลเอ ก, กชนออกมาเขาบอกหมดไปหลายหมื่นถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็สามสิบบาทล้วก็หายเหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกันนี่คือความหน่งมันครอบงำ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 ได้มาอะไรได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้ลาบยศสรรเสริญมามากน้อยเพียงไรแล้วแ้งสุขไหมก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมยังวิตกกังวลอยู่เหมือนเดิมยังหวาดกลัวอยู่เหมือนเดิ ม, มก็เพราะว่าเราไม่เคยดูแลรักษาตัวเราเลยเราไปดูแลแต่คนรับใช้เรา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 พอให้มันอยู่ได้เป็นสบาดวันคล า, างก็อยู่ได้แล้วเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยก็ไปทําเพิงทําอะไรอยู่ใต้โคนไม้พอรบแดดตกฝนได้ยารักษาโรคก็ดื่มน้ำปัสสาวะไปเวลาไม่สบายก็ดื่มน้ำปัสสาวะมาย่าดองน้ำมู ผ้าก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าหอ่อศพนี่นำมาอามาตัดมาเย็บมาปะให้มันเป็นผืนหม่มเอาแล้วก็ใช้น้ําต้มน้ําด้วยแก่นไม้เป็นเป็นการซักผ้าอต้องให้มันเดินดเอาแก่นไม้ใส่เข้าไปแก่นไม้มันก็มีสีเหลืองเหลือออกมา ผ้ากเ็เลยเป็นผ้าสีเหลืองก็ขึ้นมาอากาสาวพัทนี่คือการเลี้ยงดูร่างกายแบบคนฉลาด้าเลี้ยงดูแบบคนงอก็ปราสาทสามฤ ด, ดูพระพุทธเจ้าเคยง่ อ, อมาก่อนเคยอยู่ปราสาทสามฤ ด, ดูหน้าร้อนก็อยู่ประสาทหลังหนึ่งสร้างไว้เพื่อให้มันเย็นสบาย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 นี่แหละนี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งตัดสรู้ส่งค้นพบความจริงว่าตัวพระ อ, องค์เองนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ตัวพระ อ, องค์คือใจที่รู้ที่คิดที่วุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูคนรับใช้ตอนนี้ตลาดแล้วไม่วุ่นวายไปกับมันแล้วเลี้ยงมันไปตามอัตภาพ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 มีพระพุทธเจ้าเราคนเดียวท่นั้นนะที่ถ้าในสายตาของทางโลกก็ว่าบ้าหรือโง่คนเสียสติเท่านะที่จะสล ะ, ะปราสาทสามฤดูสละความสุขของราชโอรสแล้วก็ไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบเดลฉานอยู่ในป่า ในป่าก็มีแต่เดราฉานทั้งนั้นไม่มีมนุษย์เข้าไปอยู่กันหรอมีมนุษย์ก็พวกบ้านี่แหละ พ, พวกที่พวกที่ติดตามรา พ, าาพระพุทธเจ้ า, นาเนี่ยพวกสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอนันตสาวกในสายตาของคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้ามองแบบทางโลกเขาว่าบ้า สมัยที่เราจะบวชเราไปบอกพ่อว่าเราจะไปบวชพ่อก็เรายังพี่ว่าเราบ้าเลยคุณย่าบ้าหรือเปะอยู่ไปเรียนหนังสือมืองนอกมืองนามาถ้าเป็นแทบตายเพื่อให้มึงมาทำหมากินมีความสุขมึงกลับจะไปเป็นขอทานบ้าหรือเปล่าถึงกลับร้องไห้นะพ่อเวลาบอกว่ า, าจะไปบวช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 ไปหลงเลี้ยงคนรับใช้ไม่เลี้ยงตัวเองพระพุเจ้าบอกวิธีเลี้ยงตัวเองก็ศีลสมาธิปัญญานี่คือวิธีเลี้ยงใจเลี้ยงตัวเราให้มีความถูกให้มีความสุขไม่ให้มีความวุ่นวายใจ <c oughs> เงินทองอย่าไปหาหามาก็เพื่อมาเลี้ยงคนใช้หามไปทำไมเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกเลี้ยงคนใช้ปล่อยให้มันอยู่แบบ เดลฉานให้มันกินตามมีตามเกิดพอให้มันพออยู่ได้ก็พอวันละมือ้อก็พอกับสบายใจขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับการมากังวันว่าจะกินอะไรดีจะอยู่ที่ไหนดีกินอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มาสร้างศีลสมาที่ปัญญาดีกว่ามารักษาศีลแปด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 แเวลาเสพยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพนี่หอ้ใจเครียดคนที่ติดกลามนี่พอไม่ได้เสพกลามก็เครียดให้อยู่คนเดียวก็เหงาว้าเหว่เศร้าซ้อยไหวเหงาต้องมีแฟนต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขต้องมีรูปให้ดูต้องมีเสียงให้ฟังมีกลิ่นให้ดมมีฤทมีรสให้ลิ้มรส มีสัมผัสแข็งนุ่มหนาวร้อนให้ได้สัมผัสถึงจะมีความสุขก็เลยต้องเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นคนใช้นี้อย่างดีแต่ความสุขที่เขาหามาให้เราก็แป๊บเดียวได้มาแล้วก็หาหมดไปละไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวปอกลับมาบ้านก็หายไปหมด กลับมาอยู่กับความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมก็ต้องออกไปหาใหม่หาไปเรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาจะตายให้ได้บางคนถึงกับค่าตัวตายถ้าหาไม่ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเช่นคนที่เป็นโรคภัยใกล้เจ็บเอามาเพิกเอามาพ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 พอไปทำลายร่างกายนี้มันก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับมาเจอปัญหาเดิมต่อไปเดี๋ยวก็ร่างกายก็ต้องหมดสภาพไปไม่สามารถหาได้หรือถ้าร่างกายไม่หมดสภาพแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้มันหมดสภาพเช่นเงินทองไม่มีล้มละลาย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 บางคนก็ไปช้อปปิง้งไม่สบายใจก็ไปช้อปปิง้งบางคนก็ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาบางคนก็เข้าบ่อนบางคนก็เข้าบาร์มันก็ไปเสพการดด้วยรูปแบบต่างๆทั้งนั้นตแล้วก็ติดนันีองยิ่งมีปัญเพิ่มปัญหาขึ้นใหญ่พอเวลาไม่สบายจะแก้ปัญหาแบบนี้เกิดไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีเงินเนื้อร่างกายไม่สบายทำไม่ได้ ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเองจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้กลายเป็นการสร้างปัญหาด้วยวิธีนี้ขึ้นมาอีกอีกชั้นยังเป็นสองชั้นขึ้นมาแล้ววิธีนี้มันดุนางกับวิธีแรกทำให้ทนอยู่ไม่ได้อ ย, อยากจะอยากจะฆ่าตัวตายกันฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาอีกเพราะตัวปัญหาก็คือ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 ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้ปราบมันไม่ได้สู้มันไม่ได้เะนันคนที่ได้เรียนเฉยๆแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่เห็นความแตกต่างรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ความอยากรู้ว่าวิธีแก้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าไม่สร้างศีลสมาธิปัญญาไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้ก็แก้แบบความคิดไปท่านเอง แก้ได้ในบางในบางระดับนะเคยเคยอยากจะแก้ปัญหาด้วยการไปช้อปปิ้งเอ้าเวลาไม่สบายเลิกช้อปปิ้งก็อาจจะเลิกได้บ้างแต่ ว, วันดีคืนดีมันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็บางทีก็ลืมลืมความทุกข์ที่เกิดจากการแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างราบคาบอย่างถอนรากถอนโคนนี่มันต้องแก้ด้วยการ ยแลนสินสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลา<ฮ>เป็นเครื่องมือเพราะความอยากนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นได้แต่เรามารักษาสินแค่วันพระเนี้วันพระมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยพ อ, อวนันรับวันหลังวันพระมันโผล่ขึ้นมาแล้วอกิ น, ะนข้าวเย็นกันอย่างสนุกสนาน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 กลัวความหลงของความรักความชังของความวุ่นวายใจต่างๆก็คือเราอย่าไปเลี้ยงดูร่างกายมันเกินความจำเป็นเลี้ยงมันไปตามอัตภาพพอมีพอกินก็โอเคแล้วพอมีกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วเอาเวลามาสร้า ง, างศีลสมาธิปัญญากัน พระสินสมาธิปัญญานี้จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาตัวเราที่เรียกว่าธรรมังสารังกฉามนี้เนี่ยพระคุ้มครองการที่เราต้องการมีพระคุ้มครองเราต้องมีมีสีนสมาธิปัญญาไม่ใช่มีพระพุทธรูปที่บ้านไม่มีพระพุทธรูปที่เราคล้องคออะไรเหล่านี้ค้องคุ้มครองตัวท่านเองยังคุ้มครองไม่ได้เลย พระดีๆถ้าตั้งไว้เดี๋ยวก็เผลขอขโมยก็ขนไปขายสร้อยที่เราห้อยพระอยู่นี้เกิดเราไปถอดวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวหายนะ้วพระอันตทานอันตทานหายไปและแสดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นแล้ว <c oughs> พระยังคุ้มครองตัวพระไม่ได้แล้วจะมาคุ้มครองเราได้อย่างไงเ <c oughs> พราะมันไม่ใช่เป็นพระเราไปเรียกว่ามันพระเองไนะ มันเป็นของมนุษย์ปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ปั้นบางทีก็เป็นคนขี้เมาเสียด้วยซ้ําไปเพราพวกศิละปะศิลปินนี่เขาพวกนี้เขาชอบเมาเหล้ากันเวลาเมาเหล้าแล้วมันปั้นได้ดีกว่าเวลามันมีจินตนาการสูงเวลาเมาแล้ว ม, มันไม่มีสติคอยควบคุมใจปล่อยให้มันปล่อยไปตามจินตนาการ ไปดูชีวิตของพวกจิตรกรทั้งหลายนะเป็นพวกเมาทั้งนั้นละพวกขี้เมาทั้งนั้น <Yeah. S 1> เวลาเมาแล้วมันมันแต่งกรอนก็เก่งแต่งเพลงก็เก่ง <Yeah. S 1> ปั้นอะไรวาดภาพอะไรก็สวย <Yeah. S 1> แล้วคนไม่มีศีลมีธรรมมันมาปั้นพระแล้วพระจะกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไร <Yeah. S 1> สิ่งที่ปั้นก็เป็น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 ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เป็นจิตใจของประชาชนทั่วประเทศใช้ไมวุ่นวายไหมเป็นชาวพุทธแท้ๆมีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านกันทุกทุกบ้านแต่ทำไมพระไม่คุ้มครองจิตใจให้สงบให้สบายกันทำไมกลับให้วุ่นวายกันไปหมดก็เพราะว่าไม่มีพระแท้คุ้มครองจิตใจมีแต่พระปลอม พระที่ห้อยคอพระที่ตั้งอยู่ในบ้านพระที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ในวัดในฐานต่างๆเหล่านี้เป็นพระปลอมทั้งนั้นแ่ะไม่ใช่พระแท้พระแท้อยู่ที่สีนสมาธิปัญญาลงสร้างสีนสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วจะมีสาระมีที่พึ่ง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 ใจที่มีศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอย่างนั้นจะแกร่งยิ่งกว่าหินไม่ว่ารจะเกิดขึ้นกับอะไรก็ตามจะไม่สามารถมาขยม่มมาเขยา่าใจที่มีศีลสมาธิปัญญาให้หวนไหวได้เลยนี่แหละตัวเราของเราอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีศีลสมาธิปัญญากันวุ่นวายกันไปหมดเวลาคนรับใช้ของเราและคนรับใช้ของคนอื่นเป็นอะไร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 ไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรท่าหน่อยแต่ก็วุ่นวายไปกันหมดทุกคนเอาะไปหลงคิดว่าคนรับใช้เป็นตัวเราเป็นของเรากันเนี่ยเราจรึงต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้ามาให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เนีมันอย่าไปใช้มันใช้มันแล้ววุ่นต้องวุ่นวายไปกับมันเพราะมันใช้ได้บางเวลาบางเวลาใช้ไม่ได้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 ดังนั้นเราต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าดาบสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้พวกเราก็จะหลงกันไปหลงไปแบบอนันตการแบบไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาหาคนใช้อันใหม่มาทุกขกับคนใช้คนใหม่พอคนใช้คนเต่าตายไปก็จ้างคนใช้คนใหม่ แล้วก็มาทุกข์กับเขาเปลี่ยนคนใช้ไปเรื่อยเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ร้อยล้านคนแล้วคนรับใช้ร่างกายที่เราเปลี่ยนมาในพระพุทธเจ้าบอกมันนับไม่ถ้วนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าไม่ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือเลิกเลิกไป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 ตัวปลอมของเราก็คือร่างกายร่างกายก็เลี้ยงมันแบบสุนัขเลี้ยงมันแบบเดรชานที่อยู่ในป่าเนี่ยแต่มันอยู่ไปตามมีตามเกิดจะได้มีเวลามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันอย่างเต็มที่ถ้าเลี้ยงมันแบบรูห้หราเลี้ยงมันแบบแบบอ่แบบ ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่มันก็จะไม่มีเวลามาเลีเล้ยงดูใจไม่มีเวลามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเช้าก็ต้องออกจากบ้านไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงให้ร่างกายนี่หาค่าเช่าบ้านหาค่าน้ำค่าไฟหาค่าอาหารหาอะไรต่างๆเวลาที่จะมาเลี้ยงใจเลยไม่มี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 ก็ยังหลงเหมือนเดิมหลงว่า่างกายเป็นตัวเราของเราตังเทศกี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งท่านก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมก็ยังเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นแหละยังเลี้ยงมันเหมือนกับเป็นตัวเราของเราเลี้ยงนั่งกายเหมือนกับเลี้ยงคนใช้เหมือนกับเป็นตัวเราของเราอาไม่ไม่เลี้ยงคนใช้มันแบบเลี้ยงคนใช้เล่ะไปเลี้ยงมันแบบเจ้านายทําไม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 ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวะริวาหาปุราปุริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปัติตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสามกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศีริสะนิจจังุทธาปะจายโนจตารุธรมมวัฏฐานติ อายวันสุขังภาลาใครใครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าวของเข้ามาถวายก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะ อ, อันนี้ไม่บังคับแจก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 แล้วเอาไปอ่านนะอย่าเอาไปแจกนะถ้าไปแจกก็ไม่ให้อ <c oughs> อกไปเพราะาไปแจกก็ไม่รู้คนรับเขาสนใจหรือเปล่าเองอ <c oughs> เห็นใครก็แจกเอาหน้าเอาตาซะมากกว่าใครเข้ามาได้ก็เข้ามานะ <c oughs> มี amazon, เปิดช่องเปิดทางให้คนหนุ่มเขาเข้ามา ง่าสบายดีสบายดีจ้าอ่าผาากากอ่าอ่าหนูหวางไม่มปนไรก็ได้วางว้่ระวังเลยคุณลุงสบายดีน ะ, ค, ะคุณลุงสบายดีไหมเห็นเจอคุณลุงไหมได้ข่าวว่าท่าน ออกจากโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็ดีขึ้นไปแรกอยู่สี่ราษไม่ค่อยดีเจ้าค่ะก็เลยย้ายมาอยู่ที่ปิเวเดวนินได้แล้วค่ ะ, อะมอนนั้นันไปเจอคุณตาตาเดินได้แล้วใช่ไหมคะวางว้างว้อันนี้งไปเรียนอยู่ที่งไหนเปลี่ยนโรงเรียนแล้วใช่งไหม เรีนอยู่ที่ไหนคะ่ยเซียนอดมที่งเทพะอยู่ชั้นไหนแล้วอยู่เกรดไหนแล้วเกรดห้าแล้วเลยอดีกว่าโรงเรียนเก่าไหมเื้อคนละแบบก็ก็คนละแบบคนละแบบก็จากจากทอสีไปไปเซเอ็ดูมันก็คนละคนละแบบคนละสไตล์แล้วทำไมถึงย้ายไปล่ะ เพราะว่าคุณพ่อเขาเขาเห็นว่ายัางไงก็ต้องต้องย้ายอยู่ดีไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องไปก็เลยคิดว่าอเออไปไปเร็วไปดีกว่าพอดีโชคดีตอนแรกก็คิดว่าจะให้จบที่ทอสีสักป .6 ก่อนแต่ทีนี้เหมือนกับว่าถ้าเราไปถ้าเราไปสตาร์จากเยยวันเนี่ยมันได้ง่ายกว่าไปไป ไปตอนเ e ย e ียสองเยียสามอะไรเงี้ยแกก็เลยกลัวว่าถ้า<จ>ไปจะต่ามไม่ทันปรับตัวไม่ทันมาพอดีได้ได้ที่เร็วก็เลยได้ไปตอนเยี่ยเยียสามอ่าก็ดีชอบไหมชอบเมื่อไหร่หมายมชอบนะ <laughs> หนูไม่หนูไม่ชอบกินนมใช่ไหมนั่นสิตัวอะไรไม่ใหญ่นะ <laughs> กินนมไมบา้างเนี่ย ใบเล่เจค่ะชอบน้ำสฟิ่งนะผมไม่ค่อยดื่มนะไม่ดื่มเลยเนี่ยตัวเ ล, เล็กเลยเนี่ยมันร่างกายมันมกะดูกระเดกมันเลยไม่ไม่ใหญ่แต่เออแตนี้ แต่ทานเก่งนะคะก็ไม่เป็นไรต่อไปจะได้เป็นเป็นอะไรเป็นนางแบบได้แต่ไม่ไม่แตแข็งแรงค่ะเห็นเนี่ยแต่แข็งแรงมากว่าจาันที่คนอย่างนี้ไปสมัครเป็นนางแบบได้สบายเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะไม่ค่อยเข้าดีถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นไรแข็งแรงตั้งแต่โตมาก็เข้าโรงพาบาลครั้งเดียวไม่ค่อยเป็นอะไรออแข็งแรงดีเอเป็นลูกคนเดียวแหละ คนเดียวจ้ะคะก็ตั้งแต่พระอาจารย์เห็นตัวเล็กๆแค่หนูตั้งใจเรียนนะเรียนให้เกรดดีๆนะรู้เกรดได้ยังตกภาษาไทยตกภาษาไทยเลยยากอยู่งงไทยยังยากนะตกภาษาไทยก็เออก็ยัง ก็แปลกใจเหมือนกั น, นก็กลายเป็นว่ามันต้องให้มาเรียนเพิ่มภาษาคิดว่าหนูเอิมตกเอิภาษาอิมเลขอะค่ะแต่ว่าไม่ตกไม่ตกภาษาไทยอาจจะคิดว่าง่ายเลยไม่สนใจเล ย, ยใชพพ่พ่อกลัวจะตาพ่อกลัวว่าจะลูกจะไม่ได้ภาษาอืสรุปกลายเป็นว่าลูกได้ภาษาเร็วกว่าที่ที่คิดไว้แต่กลายเป็นตกภาษาไทย ก็เลยต้องมัดน응ั่งติวเรื่องภาษาให้ใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะยากอแต่ไดหมไม่ยากหรอกภาษาไทยเป็นภาษาของเราอยู่แล้วคุณตามคุณยวคงยังไม่ได้มาหาพระอาจารย์ไม่ได้แต่มีคนที่รู้จักเข้ามาส่งข่าวให้คุณเจริญขัไม่ได้แต่แต่เดินเดินได้เขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วบอกว่าแกมาขับรถได้เมื่อไหร่แกจะแวะมา คงคงไม่น่าจะได้พอาจารย์ยอมว่ายมว่าน่าจะอีกนานหรือนจะให้ใครขับหอ่อยถ้าให้แกแกขับมาเองแกคงไม่ไม่ไหวไม่ไหวอแกดีขึ้นก็กนับก็ดีจะพัดให้เวลาทามดูแค่นั้นเองจะค่เดี๋ยวเดี๋ยวยยังอยู่ที่เดยวยังอยู่ที่เดิมยู่นะเดี๋ยวโยมจะไปบอกว่าอาจารย์ถามถึงแต่วอาขอห้หายเร็วๆนะบอกแก ถ้าอยากได้หนักเสืยซีดีก็หยิบเอานะดนได้เลยอ่อาใครอยากจะถวายเข้ามาถวายต่ออ่ตั้งเอาของตั้งไว้เลยถวายแต่กระดาษก็อพอ มีคำถามไหมเดี๋ยวรอแักบหนึ่งจะส ง, งบหน่อยอนี่เสียงก็ทึกไม่รู้ใครมาอะไระถามนะคือเวลาจิตมันดิ่งลงซู่ทำไมจิตของลูกดิ่งด็กเบาซ่กอนอมันปึ๊บมันขึ้นอ่ออากสติมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีพอเมื่อถามว่ก่อนก็คือประมาณว่าเป็นครั้งเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือในการน้างแต่ละครั้งก็เป็นอะไร ปุ๊บขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ปุ๊บแล้วก็ขึ้นอนีคะสติยังไม่พออ่ามันกําลังน้อยมันพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวกิเลสมันก็ผักออกมากิเลสมันจะคอยผลักใจให้ออกมาอยู่เรื่อยเื่สติเราก็พยายามกดมันเข้าไปที้บางทีสติเรามีกําลังก็กดได้ปับ๊บนะมันก็หมดกําลังมันก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่แปลว่าการที่จะเข้าถึงอัปะนะ น, นี่มันเป็นไปอัตโนมัติตามกําลังสติ เอ่เราไม่ต้องทําอะไรแค่ให้มีสติให้ใช่ให้มันไม่ผิดพลาดส่วนใหญ่ขาดที่สตินะท่านะใจมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังแวบไปแวบมาอยู่มันก็เลยเข้ายากเข้าแล้วก็อยู่ไม่นานเพราะมีกําลังน้อยในการนั้นแต่ละครั้งก็จะเป็นแค่ห้าหกครั้งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ตลอดต้องไปเจริญต้องฝึกสติอยู่ทั้งวันอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามดึกมันว่าให้อยู่กับเรื่องเดียว อยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธเนี่ยแล้วมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปนิสิตเรียนขอถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้การนำภูมิหานสิ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันเออก็เป็นเหมือนขอับรถอะมันรถมีสี่เกียร์แล้วแต่สปีดของรถแล้วแต่สภาพท้องถนนว่าเราจะใช้เกียร์ไห น, น, น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 คือเวลาเราไปพบกับใครในเราต้องใช้เมตตาเจอกันก็ส่งความปรารถ น, นาดีให้ต่อกันทักทายกันมีขนมนมเนยมีอะไรพอจะแบ่งปันฝากกันได้ให้กันได้อันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วกุลานาคือเวลาเกิดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วม คนเข้าช่วยเหลือกันไปตามกํำลังก็เรียกว่าการุณาบรรเทาทุกข์ความการุณาเพื่อบรรเทาทุกข์ส่วนมุนิตาก็คือเวลาคนอื่นเขาได้ดีเช่นเขาแต่งงานกับแฟนของเราเราก็แสดงมุนิตาไป <c oughs> อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธ <c oughs> อย่าไปเกลียดยังไงเขาก็ออกไปแล้ว <c oughs> ไปโกรธ <c oughs> ไปเกลียดมันก็ทําให้เราร้อนไปเปล่า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 การูนาได้ก็ทําใจเฉยๆว่าเป็นกรรมของเขาละกันเป็นบุญเป็นกรรมของเขาแ ล, แ, ลแล้วทุกๆเหตุการณ์ที่เราเนะจอเนี่ยกะเพสมองที่เราเริ่มไม่เมตตาอันี้เป็นถัตโนมาที่เราเมีตาได้แต่ว่าตอนหลังนี้กําลังรู้กำลังรู้สึกว่ามันจะมีตัวเส้นแบ่งเอาระหว่างการุนากับอุเบกขาไหมคะคือหมายความว่าอันนี้อย่า ย, ย, ายุ่งดีกว่าปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้พิจารณาว่าถ้าปล่อยได้ถ้ามันทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อย ถ้ายังทำได้ก็ทำไปถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยแล้วเกิดความเสียหายมากกว่าเกิดความเสียหายมากกว่าการได้ประโยชน์ก็อย่าไปช่วยดีกว่าหรือช่วยแล้วทำให้เราเดือดร้อนเขาสบายแต่เราไปติดคุกให้เขาอย่างนี้เราก็อย่าไปช่วยดีกว่านอกจากว่าเราเมตตาเขามากๆรักเขามากๆยอมติด คุกแทนลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าไม่ยอมติดคุกกระโปรงให้มันติดไปเราไม่ติดเราก็เฉยเฉยไปถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเป็นบทเรียนของเขาเขาเมื่อยากไปช่วยแล้วทําให้เขาเสียก็อย่าไปช่วยเอ้ยเขาทําผิดอย่าไปทําให้เขาถูกแล้วเขาจะเสียนิสัยจะไม่เข็ดดาบเขาทําผิดให้เขารับโทษไปดีกว่าแล้วเขาจะได้เข็ดดาบ ไม่ใช้ไปวิ่งเต้นไปจ่ายเงินไปอะไรต่างๆเพื่อให้เขาหลุดเขาก็จะเหมิมเกิมเดี๋ยวคขาหน้าก็ทำาอกทาแรงกว่าเก่าอีกเขาก็จะคิดว่ามีคนมาช่วยเขาอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยไม่มีความเข็ดดาบในการประพฤติของเขาต้องการให้เขาไปเจอโทษบ้างเราก็ต้องทำใจว่าเป็นกรรมของเขา เราก็ต้องทําใจอย่าไปทุกข์กับเขาอุเบกขาที่จะทําให้ใจเราเฉยไม่ไปทุกข์กับเขาถ้าเรามองว่ามันเป็น<ม>เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ย<ม>ไม่มีใครไปยับยั้งเปลี่ยนแปลงได้<ม>เช่นท่านยกตัวอย่างว่าถ้าเขาไม่ชอบเราเราเราพยายามแผม่เมตตาแล้วเขายังไม่ชอบเราเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ดา่าเรา เราก็จะเฉยได้แล้วเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราอแล้วเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเราก็จะเฉยได้ไม่ไปโกรธไปเกลียดไม่ไปอะไรกับเขาได้่อามาใครอยากถวายของมาตรงนี้ตรงนี้แค่นี้กันนะถวาย ได้ก็จะอ๋อ จ้ะทาอองวางตรงนี้กะสกนะซทาแล้วมีหนัหนสงสือซีดีแจกเนะต้องการต้องสื้อซีดีก็หยิบได้ไปทั้งชุดเลย น้ำเตาใออนนี้เลยอ่ยาแยกสองออกซองสองให้หน่อยครับอ่มีหนังสือซีดีแจกนะเปนการก็หยิบได้ยิบตามสบาย ไปได้ทุกเล่มเลยถ้าต้องการถ้าชอบอา่านได้เอาไปเลยเอาไปเลย ทั้งไม่มีอะไรหรือเปล่าเอามาด้วยกันเลยโอเคอไม่มีอะไรเดี๋ยวจะให้เขาถามคำถามต่อนะถ้าอยากจะฟังก็ฟังได้อยากจะกลับก็กลับได้นะถ้าจะอยู่ก็ขอความสงบหน่อยนะขอให้นั่งฟังเงียบๆจะได้ไม่รบกวน อ่าเชิญเลยขอถามน่อคอรับคุณคือวันที่ท่านท่านพูดเรื่องว่าใจนี่เป็นเป็นนายใช่ไหมคะแล้วกายนี่เป็นบ่าวเห็นน้องชายเนี่ยเปบวชกับท่านอาจารย์แดนมาห้าปีครับกลับมาก็ก็ยังอยากมีลูกมีเมียเหมือนเดิมคือเข้าใจเองค่ะอาจจะไม่ถูกก็ได้ว่าผู้ที่เห็นทุกข์หรือว่าในกรณีท่านก็เป็นเคสอย่างท่านเนี่ย มันต้องใช้บุญเก่ามาสะสมใช่ปะคะเพราะเห็นมาหลายเคสมากเลยว่าความทุกข์นี่ไม่สามารถที่จะดึงให้ไปไปฝึกเพื่อให้พ้นทุกข์ก็ค่ะแล้วจะบอกใจยังไงคะว่าจะให้มีกําลังเพื่อเพราะว่าก็ามันมืดบอดเงินใจมันไม่ฉลาดมันโง่มันมองไม่เห็นทุกข์กันออืขาดสัมมาทิฏฐิการการเห็นว่าเอาเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายมันไม่เห็นตัวนี้แล้วจะเห็นได้ยังไง ก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆไปงานศพ บ, บ่อยๆอ๋อต้องต้องพาตัวเองไปให้คิดเลยอะอยังไ ม, ม่ยอมคิดมันพยายามจะลืมมันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ยแล้วมันก็ลืมลืมแล้วตัวเองดูเป็นส่นไม่พอนี่ต้องพาตัวเองไปเลยเออก็ไปงานศพในค่ายมีงานศพก็เพื่อที่จะให้ไปปรงุงให้ไปเราให้เราไปคิดถึงความตายของเราอย่างสมัยข้า้งแรกเราเห็นศพนี่เราใจเราคิดไปเลยโอ้ยคุณ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 การแต่งงานก็มีวันจบสิ้นแต่งงานกันไปเดี๋ยวตายจากกันก็จบละงานเลี้ยงอันนี้กลายไปงานทุกไปละกลายไปงานศพไปแล้วไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารอ น, นิจจาวัตสังขารานี่พระสอนไปงานศพนี่ท่านสวดกันปากเปรียนปากฉีกโยมก็คุยกันแบบปากเปลียนปากฉีกเหมือนกัน แลยไม่รู้ว่าพักสูตรอะไรกันออันนี้จะวัตสังข า, าราล่างกายสังขารที่เกิดจากการปรุงแต่งของดินน้ามลมไฟเช่นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาอนนการปล่อยวางสังขารร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งนนที่ทุกข์กันก็เพราะยึดติดไม่ยอมปล่อย อ, นนอยากให้มันอยู่กับเราอนนพอมันไปก็เสีย อ, อกเสียใจ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 อ่อาทางทางบ้านครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณพัชลานะครับเราไม่ควรไปหลงไปวุ่นวายกับร่างกายของผู้อื่นขอกับเรียนถามเช่นนั้นเราควรระลึกถึงพระองค์ท่านผู้ทำความดีอเนกอันออั น, นอย่างไรคะก็นึกถึงความดีของท่านแล้วก็เอาตัวอย่างของท่านมาปฏิบัติต่อสืบทอดอนิทานอันดีงามของท่าน เป็นปฏิบัติบูชาอะนั่างกายไม่ต้องไปบูชาท่านนะร่างกายท่านมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเราที่จะต้องไปทำอะไรให้กับท่านทางร่างกายเราทำทางจิตใจบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามคำสอนท่านสอนมาทุกปีวันที่สี่ธันวาไปฟังว่าเปล่าในวังในประเทศเรื่องความรูรักษมคีเสียสละ ประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอยงที่ท่านมีคําพูดที่ก็ามักจะกล่าวว่าการที่จะทําให้คนทั้งหมดเป็นคนดีเนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การที่เราทําได้ก็คือให้เราส่งเสริมคนที่เป็นคนดีให้เขาจะได้มาคุมคนไม่ดีเนี่ยเราต้องมาส่งเสริม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 เลือกคนดีเข้าไปก็ไม่ได้เงินห้าร้อยเลือกคนไม่ดีเข้าไปก็ได้ห้าร้อยเอาห้าร้อยดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ไปกินเหล้าได้คำถามข้อต่อไปจากคุณแอนนี่นะครับการทำสมาธิให้มีสติทำอย่างไรสมาธิมันไม่ได้ทำสมาธิให้มีสติมันพูนคห้เข้าใจการมีสติมันถึงจะทำสมาธิได้ การจะทําให้มีสติก็ต้องระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไปทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ไปคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้จันให้รู้อยู่กับพุทโธไปคําเดียวนี่แหละดึงตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปถ้ามันจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดึง ม, มาที่พุทโธพุทโธไปยกเว้นเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จําเป็นจริงๆก็คิดไปคิดเส็จก็กลับมาอย่าไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะให้เขารักเราอยากจะให้เขาซื้อของซื้อของให้เรา คิดเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วมันฟุ้งซ่านเดียวคิดวิตกกังวลกับคนนั่นคนนี้ข่วงใหญ่กลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะตายห่วงยังไงมันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนเดิมแหละอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาเมื่อพุทโธพุทโธไปดีกว่าแล้วใจมันจะนิ่งใจมันจะไม่ลอยไปลอยมาแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้อย่างเต็มที่จะได้สมาธิเหตนก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องฝึกสติให้ได้ก่อน ควบคุมความคิดให้ได้ให้มันอยู่กับพุโทโธให้ได้ก่อนแล้วเมื่อานั่งนี่มันจะรวมลงเป็นสมาธิจะนิ่งจะเฉยจะมีความสุขคำถามจากคุณน้าชนกถ้าเรามีความต้องการให้ธรรมะแก่คนสัก์คนหนึ่งจะถือว่าเป็นกิเลสที่เป็นความอยากไหมคะแล้วถ้าเรากลัวว่าคนคนนั้นจะไม่ยอมรับธรรมะ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 กรจมยแต่คนที่ไม่มีธรรมะนี่กิเลสอยากจะให้เขาอยากจะแต่ไม่อยากให้ตัวเองอยากให้คนอื่นเขาปฏิบัติทำแต่ตัวเองไม่อยากปฏิบัติค่ะคำถามจะคุณสุวรรณนาการไปทำบุญที่วัดที่มีเจ้าอาวาสปิดสีแล้วเราจะได้บุญหรือไม่เพราะจำเป็นต้องทำ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 เอาไปทำบุญกับพระองค์อื่นอาจจะได้แค่ห้าสิบร้อยละห้าสิบได้ครึ่งเดียวเพราะพระแต่และองค์นี้ก็มีธรรมะ ม, มากน้อยต่างกันทันนึงท่านถึงบอกให้เลือกพระเลือกคนเวลาถ้าเราจะต้องการธรรมะนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราต้องการใส่สละเงินทองนี้ให้คนอื่นเขาให้เขามีความสุขนี้เราให้ใครก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้เด็กกำพร้าก็ได้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 อยนั้นอั น, นี้สองที่เราได้รับมันเป็นยังก็ยังถือว่าเป็นวัตถุทานอยู่เป็นการเสียสละเวลาเสียสละเงินทองของเราอยู่ยังเรายังไม่มีธรรมอันนี้สองที่จะเกิดจากการมีธรรมนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมต่อไปคาถามจะคุณสมสุขนะครับถ้าเราฝึกภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าพักผลจากการปฏิบัติรู้สึกว่า กายวางใจวางต่อไปควรฝึกหัดพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะก็ไปทดสอบดูว่าวางได้จริงหรือเปล่าไปให้มันนั่งให้มันเจ็บแล้วปล่อยให้มันเจ็บไปได้ไหมอย่าไปขยับได้ไหมไปอยู่ในที่น่ากลัวว่าอาจจะเกิดความตายขึ้นมานี่แล้วทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้หวั่นไหวได้หรือเปล่าอันนี้นตอนนี้เรากําลังทําการบ้านอยู่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ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 พ่อแม่ที่หลังกับผมจะผิดไหมทางทางศาสนานี้เขาบอกว่าคนจะมาบวชนี่ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ต้องรับรู้ก่อนเห็นบวชไม่ได้นอกจากไปโกหกถ้าไปโกหกบวชแล้วเขาก็ไม่จับศึกเพราะว่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องศึกเพราะตอนโกหกนี้ไม่ได้เป็นพระเป็นค า, ารวะเห็นบวชแล้วก็จับศึกไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นปาราทิก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 ก็เลยต้องเรียกแม่มาพามาพบท่านเองจะท่านเงจะกำหนดวันบวชให้ตามศาสนานี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากปิดามานดาก่อนถึงจะบวชได้คำถามข้อต่อไปจากคุณจุกทาทิพย์หลังเดินจงกรมนั่งสมาธิเวาเวลานอนรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเส้นเลือดที่หน้าแขนมือเต้นตามจังหวะหัวใจ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 พระพุทธเจ้ามานั่งปลูกเสกมันก็ยังเป็นแค่วัตถุนั่นแหละพระพุทเจ้าท่านยังไม่ปลูกไม่เสกไงมีแต่พวกพระพร้อมทั้งหลายที่มาปลูกมาเสกกันเพื่อไปบังคับพระที่ท่านต้องจำใจปลูกให้ก็เกงใจกันบางทีมีบุญมีคุณกันก็ท่านก็เมตตาสงสารเอามาให้ปลูกท่านก็ทับปากขามุบขมิบหนับตาหน่อยก็คิดว่าปลูกแล้วท่านก็เล่นละครให้เราสบายใจท่านเองเมื่อมันยังเป็นเด็กอยู่มันจะสอนมันยังไง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 ถ้าลูกไม่ได้ไปทำบุญแต่ลูกซื้อบาทเอาเงินทำบุญที่บ้านทุกวันแล้วค่อยเอาไปทำบุญจะได้ไหม่เจ้าคะตอนที่เอาใส่บาทก็ยังไม่ได้บุญเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปเพียงแต่เป็นการเตรียมการไว้ก่อนจะได้บุญก็ตอนที่เราเอาเงินที่เราใส่บาทนี้ไปมอบให้คนอื่นไปถึงจะได้บุญคำถามจากคุณวันนิพาเวลาสวดมนในแต่ละครั้ง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 คนอ่นเขาดูว่าคงยามไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอ แ, แต่เราดูเปลี่ยนแปลงไปคนของเราคนเดีย ว, วคําถามจากคุณอา น, นิจังนะครับหนูทํางานเป็นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายเหล้าขายเบียรเราจะผิดศีลข้อห้าไหมคะ อ, อ๋อศีลข้อห้าไม่ผิดหรอถ้าเราไม่ดืมด่มจะดื่มมันจะผิดเชื่อมันเป็นไม่เป็นสมัมมาชีพเท่านั้นเองอาชีพที่ไม่ควรกระทํา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 ภรรยาไปทุบตีลูกแล้วไปขับรถพล<ม>ิกคว่มชนคนอื่นตายอะไรเงี้ยมันมันเป็นโทษตามมาเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะส่งเสริกมกันถามหมดก ไ, มไดก็ดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีแาวนี้มีใครอยากจะถามอยูไ่ไหมมาจากที่ไหนกันนายยองนะมาด้วยกันทั้งหมดออกนี่กรุงเทพเพิ่งมาขั้งแรกเลยรู้จักที่นี่ได้ยังไงีพี่